คุณชุบัดมนุษย์นั่นคือจินห้าตั้งแต่ปานาถึงชุลาแต่คําว่าคุณชุบัตดมนุษย์คือจินห้านั้นก็ตีความให้ชัดคือคนที่มีสติปัญญา mm. ถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ <Yeah. S 2> ถ้าคนไม่มีสติปัญญาต้องเกิดไม่ไม่มีอะไรผิดกับสิงสาราสัต mm hmm. ว์ถ้าเกิดเป็นสัตว์เดชชานก็เงยเยอะแยะแล้วจะรู้ว่าอย่างไร <Yeah. S 2> นี่แหละคือคุณชุบัติมนุษย์ก็คือมีสติปัญญา <Yeah. S 2> เป็นมนุษย์แปล ว, ว่าจิตสูง ถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่หน้าที่ได้นะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทําความเป็นมนุษย์ให้ต่ําต้อยอนี่เวลาจิตประพักสสรออกมาจากท้องแม่เนี่ยจิตประภัสสรผ่องใสแต่มาคลุกฝุ่นคลุกทุรีกันทุกกิรีด น, นาประการเข้าเลยผ่องสายหายไปเลยคุณสมบัติมนุษย์มันจึงค่อยๆเลือนรางและหายไปจากมนุษย์เลยตัวเองก็เป็นสัตว์เดรัจฉานในคราบของมนุษย์นะในครับของมนุษย์